เสียงอ่านหนังสือคำอริยะถึงในหลวงคำกล่าวจากผู้ทรงคุณธรรมที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9พร้อมประวัติย่อของพระอาจารย์แต่ละรูปอยากให้เปิดใจรับข้อมูลอีกด้านและตัดสินเอาเองว่าข่าวลือและเรื่องที่ไม่เคยเห็นด้วยตากับคำของพระอริยะสิ่งไหนหน่าเชื่อถือกว่ากันไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่อยากให้เปิดใจอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งนะครับข้อมูลทั้งหมดในหนังสือไม่เกี่ยวกับกลุ่มการเมืองไม่ได้โจมตีสีไหนไม่ได้ว่าร้ายใครไม่ได้เข้าข้างใครต้องการนำเสนอความจริงในประเด็นว่าต่างชาติล่าอาณานิคมด้วยวิธีใหม่โดยแทรกซึมให้ร้ายผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศเพื่อยึดครองประเทศนั้นๆในทางอ้อม ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะมีทรัพยากรมหาศาลกระบวนการนี้มีมาตั้งแต่สมัยยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการตั้งใจทําลายสถาบันหลักให้ล้มไปทีละขั้นเริ่มด้วยสถาบันศาสนาที่โดนกระทํามาตลอดแต่ไม่ค่อยได้ผลจึงเปลี่ยนมาเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปัจจุบันได้ผลค่อนข้างกว้างและพี่น้องไทยบางกลุ่มก็อาจตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติ หรือกลุ่มผู้ที่เข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวดาวน์โหลดต้นฉบับหนังสือเพื่ออ่านหรือนำไปพิมพ์แจกเองได้ที่ j o z h o n e t เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น